เขามีโยมคนหนึ่งก็เล่าบอกโอ้ยน่าเบื่อจะตายนับเงินเช้ามาก็นับเงินเย็นมาก็นับเงินนับช่างเช้าต่างเย็นนะโอ้ยน่าเบื่อจะตายเขานั่นก็อยู่กับอะไรนะถ้าพูดบางท่านบอกว่าก็คือตอนต้นเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินสําหรับตอนแรกๆสําหรับคนที่อดอยากในสิ่งนั้นอ่ะนะก็เลยบอกโอ้ยน่าเพลิดเพลินจริงๆพอเอาเข้าจริงๆถ้าถามว่าชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับอย่างนั้นตลอดไปเอาไหมมันก็เดือดร้อนหละอย่างนั้นนะมันหลายๆอย่างเนี่ยมันดูดีในตอนต้นแต่ว่าถ้าอยู่อย่างนั้นตลอดไป อยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเนี่ยจะมีความสุขจริงหรือเนี่ยนะเนี่มาโอ้ขับรถเนี่ยน่าสบายอ่าให้อาชีพขับรถเลยอ่ะไม่ต้องลงจากรถแต่อยู่บนรถบ น, นรถน่นนะบอกแม่ผมอยากจะพักบ้างเล็กเกิ น, ก, น, นก็เหมือนน่นนะบอกอ้าไหนบอกว่าขับรถมันสบายไงล่ะทีขับสองวันสามวันติดติดกันเข้านี่อยากพักผ่อนบ้างแล้วตอนแรกบอกไปขับรถพักผ่อนให้สบายเอ้มันอะไรคือความสบายกันแน่เนี่ยที่เร า, ว, าว่ากันเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันสบายแท้จริงเนยนะ ดูความพิสูจทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นมันพยายามอยู่อย่างนั้นเครียวประกอบอาชีพอย่างที่กล่าวแล้วนะทุกสาขาอาชีพพ่อคสมบัติเหล่านั้นไม่เจริญขึ้นทําแล้วไม่งอกเงยแปลว่าอะไรก็แปลว่าขาดทุนยิ่งทํายิ่งเจงยิ่งทํายิ่งหมดตัวเนี่ยนะเกียวว่ายิ่งทํานายิ่งทําไปทํามามเมล็ดข้าวจะเป็นพันยังไม่มีเลยเนี่ยนะเกียวว่าไม่แทบจะหมดมเมล็ดพันุ์เลยเนี่ยนะบอกว่าทําไปทํามาเนี่ยเงินที่ลงทุนยังไม่เหลือทุนเลยนะยังท่วมเข้ามาอีก กุลบดนั้นเป็นต้นก็เศร้าโศกลําบากใจรําพันเพ้อทุบ อ, อกคร่าครวญถึงความหลงไหลว่าความหมั่นของเราเป็นหมั่นหนอไอ้ที่ทําทุกอย่างนี่มันฟรีเนอะว่า ง, งั้นเหรอ น, นะถ้ากีฬาก็บอกฟาวเนอะว่า ง, งั้นทํามาแทบตายฟาวหมดเลยก็แปลว่าไร้คะแนนว่างั้นเรเป็นหมั่นหนอก็แบบไ ม, ไม่ไม่ออกผลเหมือนกับอะไรนะคําว่าเป็นหมันมาจากเคยใครเคยเห็นเขาปลูกต้นมะละกอบางพันไหม ปลูกมาแทบตายดูแลทั้งตายแล้วมันไม่มีลูกเลยนะสวยสวยตอนแรกนี่แหละอุย้ยฉันดีในที่สุดพอถึงวันนั้นวันที่มันจะออกลูกอนะไม่มีลูกเลยกลายเป็นมะละกอหมันเนี่ยนะในที่สุดทํำยังไงมันก็มีวิธีเดียวถอนแล้วก็ปลูกใหม่นับหนึ่งใหม่อีกเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้นแหละพันก็บอกอ๊ย้ยรำพันบนเพอรทุบอกคร่ําครวญถึงความหล่นไหลว่าความหมันของเราเป็นหมันเนอความพยายามของเราไร้ผลเนาะ ก็มีทางภาคบางภาคยันผาคเนื้อเมื่อปีก่อนน้นเขาก็ทําสวนลําไยที่ลําไยมันกําลังเกือบลําไยเกือบสุกแล้วอะ่ะมันแต่มันเป็นลําไยดิบที่ยังไม่สุกพายุเข้ามากิ่งหักมอดแล้วก็วันนพิดว่าปีนี้แหละแหมจะใช้นี่เสร็จให้มันเสร็จปีนี้แหละในที่สุดนี่ก็ยังไม่ได้ใช้ลําไยก็เสียหาย ตายดีกว่าก็ไม่ใช่เลยค่าตัวตายเลยก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกโอ้ที่ทําทําไปนี่มันเปล่าประโยชน์เนาะมันเป็นหมันเนาะมันไม่เหลืออะไรเลยเนาะว่างนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายโทษแห่งกรรมแม้นี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกขมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเขามีกรรมเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่ทําแล้วเรียกว่าถอนทุนคืนกําไรมากอันไหนมากกว่ากันในโลกนี้เนี่ยนะ แก็ว่าทำเสร็จแล้วก็ถอนทุนคืนได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วเพิ่มบวกด้วยกําไรโดยมากหรือขาดทุนกันโดยมากเนี่ยนะนะถ้าหากว่าทุกอย่างมันมีกําไรมันก็ไม่มีใครมีนี่มีสินอะไรดอกนันดูกราที่สูจนทั้งหลายถ้ากุ่บทนั้นมันเพียรพยายามอยู่โภคสมบัติเจริญขึ้นโอ้สมมุติอะทำแล้วประสบความสําเร็จเจริญอย่างเดียวกุ่มบทนั้นก็ได้เสเวยทุกอันใหม่ทุกพิเศษขึ้น เพราะอะไรเพราะการรักษาพวกขสมบัติเหล่านั้นเป็นเหตุแค่ว่าสร้างบ้านจนประสบความสําเร็จได้บ้านมาหลังหนึ่งสําเร็จแล้วก็ได้จานมาอีก50บใบก็เลยว่าคิดว่าเอ๊ะทํางไงเราจะรักษาใช่ต้องเอาได้ไหมอาจารย์50บใบเช้ามาก็เก็บมาล้างแล้วก็คว่ำเอาไว้เที่ยงมาก็เก็บมาล้างอีก50บใบเย็ยนมาก็ล้างจานอีก50บใบล้างวันละร้อยบใบ10บวันก็เท่าไหร่ 1,500 ใบแล้วก็ล้างอยู่ตลอด10ปีเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นต้องล้างชามกี่ใบนะต้องมือจุ่มน้ำเท่าไหร่เลยนะโอยนั่นนมีความสุขไหมนั่นทำยังไงได้นะคือคือที่พูดเนี่ยไนมะ่ใช่ว่าให้เลิกทำให้เลิกประกอบอาชีพไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรทำไปทำมแล้วมันจบที่ไหนเนี่ยนะก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือการสแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ไม่ใช่จนแมมปล่อยตัวปล่อยใจทุ่มเทซะเหมือนกับว่ามันเพื่ออัมะตะอย่างนั้นแหละไม่ใช่ทุ่มเทจนเพื่อเป็นเป็นอมะตะกับสิ่งนั้นซึ่งมันไม่ใช่อัมะตะจริงๆเราก็ต้องรู้พันคิดถึงประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ห้ามดีแล้วล่ะ คิดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งให้คนมีสายตาไกลหน่อยมาณั้นนะให้มีตาสาดวงนะตาตาหนึ่งเห็นโลกนี้ตาที่2เห็นโลกหน้าหลายๆโลกตาที่สก็เห็นอริยสัจให้มันใช้ทีสาตาเนี่ยนะมันึงจะสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าไม่มีตาสามตาเมื่อไหร่ก็ตาสองชั้นก็นลาบากแล้วล่ะแปลว่าสายตาเริ่มสั้นแนะ หรือบางทีเนี่ยนะว่าสแสวงหาให้มีโภกทรัพย์เหล่านั้นสแสวงหาได้มาแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นเยอะแต่ก็ทุกเพราะมีเพราะอะไรเพราะการรักษาโภกสมบัติคิดว่าด้วยอุบายอย่างไรเนาะพวกสมบัติของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปเนี่ยนะถูกยังทำยังไงเนอะจะไม่ต้องถูกยึดเป็นต้นเนี่ยนะทำไมนี่ก็ยึดทรัพย์สินเนีมันก็บอกว่ายึดมาแล้วสามพันกัล้านงานก็แสดงว่าถูกยึดตั้งสามพันกัล้านก็ไม่ใช่ธรรมดาเห็นะ โจร น, นะทำยังไงเนะโจรจะได้ไม่ไม่รักเอาไปทำยังไงไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่ท่วมทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่ได้ขนเอาไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อกุลบดนั้นปกป้องรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนั้นพกอขสมบัตเหล่านั้นในที่สุดพระราชาก็ที่ไปแล้วสมัยใหม่ก็คือยึดทรัพย์นัน่นแหละ ถูกลักโจรลักเอาไปถูกไฟไหม้น้ำท่วมทายาทอันไม่เป็นที่รักโคนเอาไปเนี่ยน ะ, นะว่าลูกปลอมเอาไปเล่นการพนันสเกเลี่ยงเหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยปลอมลายเส้นของพ่อก็เลยเอาไปเข้าขึ้นแบงแล้วก็เอาไปผลาญซะหมดอย่างเง้นะกบรนั้นสกระเศร้าโศกเสียใจหลงไหลว่าความหมั่นความพยายามของเราเนี่ยเป็นหมั่นหนอ รัพย์อันใดที่เรามีอยู่ทรัพย์อันนั้นก็หมดไปแล้วเนาะเรียกว่าคนเคยมีอะไรนะเคยเห็นไหมร้านอาหารคนเคยรวยอะไรเงี้ยนะเขียนป้ายว่าคนเคยรวยบางเคยอะไรบางก็เขียนปน้ายกันไว้ป้ายเนี่ย น, นะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี่ก็โทษแห่งกรรมแม่นี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกขมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นนิทานมีกรรมเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งกรรมทั้งหลายเพราะวัตถุที่เราว่ามันดีๆน่าปรารถนาะ นั่นนะนั่งรถผ่านภาคเหนือเนี่ยนะโอ้ยประกาศขายรีสอร์ตเต็มไปหมดเลยนะติดป้ายข้างหน้ารีสอร์ตเนี่ยนะถน น, นเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้ติดป้ายขายรีสอร์ตอนะไนะแล้วพ่อใครจะไปพักใช่ไหมบ้านอยู่กลางพุ่งกลางดอนโอ้ประกาศขายกันเยอะจริงๆเนี่ยนะเจ้าของจะเศร้าใจขนาดนะไหนกว่าจะสร้างได้ไม่ใช่สนุกสนุกนะนะนะัสร้างบ้านตามป่าตามเขาไม่ใช่จะหมูหมูนะไม่หมูหรอกนะ เส่แล้วก็กว่าจะเสร็จแล้วก็ลำบากในการภาระในการดูแลปลกปักรักษาเนี่ยนะจิตใจก็แห้งแล้งโอ้เดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามีทุนอย่างอื่นมีทุนสำรองพอยังอยู่ได้ค่อยยังชั่วถ้าหากว่าชีวิตไปทุ่มเทกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันไม่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นอยองอให้ฟังบอกโอ้ท่านครับปีนี้มันเดือดร้อนจริงๆต้องกานทุกปีนะแผงลอยข้างทา ง, างมันเต็มไปหมดเลยมีการค้าขายตอนนี้มีแต่แผงร้าง แผงร้างข้างทางเต้นไปหมดเลยนะเพราะก็คือมันเดือดร้อนกันขึ้นอะไรกันขึ้นเนี่ยเพราะนนั้สิ่งที่เคยมีมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะก็ามาได้นั่งเศร้านั่งซึมอยู่นั่นแหละทีนี้ไอถึงมีอีกถ้ามีเท่าเดิมมันก็ไม่อิ่มใจแล้วมันต้องมีมากกว่าเดิมแปลกนะี่ยในโลกของวัตถุกรมมันต้องเหมือนยาเสพติดที่ต้องอัดฉีดเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนแรกมีเท่านี้พอแล้วเนี่ยนะทำท่าเหมือนจะพอเนี่ยนะพอไปถึงวันนั้นเกือบขยายเรียบร้อยละ ใช่ไหมเขต้องขนาดนั้นสิต้องขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นอย่างที่เขาบอกว่าโอ้พระราชานี่ยต้องข้ามตอนแรกบอกโอ้ยทวีปนี้เอาเกาะดูแลเกาะทั้งเกาะนี่พอใจแล้วตอนหลังบอกข้ามพทวีปสิข้ามทวีปแล้วว่าเกาะต้องข้ามทวีปข้ามทวีปข้ามทวีปแล้ อ, อย่างบางประเทศใช่ไหมครอบคลุมมาทั่วทั้งโลกกว่าประเทศของเขาเนี่ยอาณาจักรของเขาเนี่ยเรียกว่าสว่างตลอดกระแผ่นดินไม่ตกอะไรนะดวงอาทิตย์ไม่ตกเขาว่างั้น ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมันตันหามันไม่มีคําว่าลดมีปริมาณคําว่าลดคําว่าหย่อนมันมีแต่กระหายกว่าเขมือบแผ่นดินทั้งแผ่นดินเขมือบทะเลท้องทะเลเขมือบโลกทั้งโลกนั่นเองนะแ้วมันเขมือบจักรวาลได้มันของเอาหมดแหละก็จักรวาลของเราไงกลืนใน้เบ็ดเสร็จนะก็เรียกว่าความกลืนด้วยอํานาจตันหาทาที่สุดเนี่ยกลืนมันก็กลืนอะไรดีๆนี่ยนะอะไรนะอะไรอก็ของเราแล้วสิ่งที่มีปัญหาทั้งหมดเป็นของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะ สิ่งทุกสิ่งที่เรามีนี่มันมีปัญหาทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามีมีลูกน้องยี่สิคนอย่างเงี้ยนะแล้วลูกน้องทุกคนมีปัญหาหมดเลยมันทะเลาะกันเองก็แล้วอะไรกันเองก็แล้วสั่งงานไปมันก็ไม่ทํามันยังทะเลาะกันเองเรื่ขากันเองนะชิงดีชิงเด่นกันเองเนี่ยโอ้ยอยากจะเป็นเจ้านายเนี่ยนะอยากจะลาออกสามวันเจวันน่ยนะมันมีผู้จัดการเขาก็แต่งตั้งไว้โกโก้เงี้นแหละใช้งานใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยนะ มีแต่ความรับผิดมีแต่ความรับผิดไอรับชอบไม่ค่อยจะเห็นเลยอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็เดือดร้อนแหะชีวิตเฮ้ยชีวิตนอเกิดมาทําไมน้อทำไมมิมีแต่โศกนำหน้าโศกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะทำท่านหน้าจะสบายขึ้นหวังหวังไว้ลึกๆว่าหน้าจะสบายแต่ก็สาธุขอให้สบายจริงเถอะทำไมสบายด้วยสมถามวิปัสนาบรรลุมรรคผลและท่าจะยากเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นก็กไอที่ทำเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าการสแสวงหาธรรมมาเลี้ยงชีพ แต่ชีพนี้มันจะอยู่ได้สักเท่าไหรนะ่น้อมันก็ต้องเผื่อชีพใหม่ๆด้วยเนี่ยนะเผื่อพบเผื่ออะไรนะเผื่อไว้ใช้ชาติหน้าบ้างหาใช้ชาตินี้อย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าบ้างนะเนี่ยนะยังไงอย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าถ้ามันชาติเดียวของมาก็ไม่ออมไม่น่าหนักใจอนะ่ะถ้าชาติหน้าอีกแค่ชาติเดียวนะั้นไม่น่าหนักใจพระโสดาบันท่านบอกว่าตั้งเจดชาติแล้วของเราเป็นใครนาะเนี่ยนะบางหน้าจะเกินเจ็ดชาติถ้ามันเกินเจดชาตินี่ละหาใช้ยังไงอ่ะเนี่ยนะก็นั่งคิดให้มันดีๆก็แล้วกัน เป็นสิ่งที่หาหาถ้าเกิดทุ่มเทจนจนเรียกบางอย่างก็จะแทบไม่เหลืออะไรดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์กับวิวาดพระราชาวิวาทกับพระราชาเนี่ยทหารตายเรียบนะกษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์เนี่ยนะคือพระราชากับกษัตริย์ต่างกันนะก็คือกลุ่มเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันนะนะพราหมณ์วิวาทกับพราหมขึ้นหาบดีวิวาทกับขฤหาบดีมารดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาทกับ บิดาพี่น้องชายวิวาทกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาทกับพี่น้องชายสหายก็วิวาทกับสหายมีเพราะอะไรก็มีเพราะผลประโยชน์นะสมัยไหนก็ใช้คำว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์อันนั้นแนี่ภาษาธรรมะเรียกว่ากามเพราะมีการมเป็นเหตุมีการมเมญนิทานมีการมเป็นอธิกรเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั่นและชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งกามก็ต้องประหัดประหารกันด้วยฟ้ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาสตรา น, นะถึงตายบ้างทุกต่างตายบ้างเพราะการประหารนั้น น, นะวิวาทการนี้บางทีเรียกว่าหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะนะดูกวานพิสูุทั้งหลายโทษแห่งกรมแม้นี้เห็นการได้เองเป็นกองทุกมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นนิทานมีการมเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นเองดูกวานพิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนทั้งหลายถือเอาดาบและโล่จับธนูสอดใสยแล้งแล้ว ย่อมเข้าสู่สงครามที่กําลังประชิดกันทั้งสองฝ่ายล้ ว, ว่าเพราะกามเนี่ยนะก็สงครามเกิดขึ้นคนทั้งหลายทั้งสองก็ยิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกใส่การบ้านฟันดาบบ้างถูกยิงด้วยลูกศรถูกพุ่งด้วยหอกถูกตัดศีรษะด้วยดาบในสงครามนั้นทำไมนี้ก็ระเบิดใช่เพิ่มเป็นระเบิดเพิ่มเป็นอะไรบอกว่า ในบรรดาสงครามที่มันตายมากเนี่ยนะไอ้เครื่องบินเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยตายมากตายเกลื่อนตายเยอะมากๆเลยก็เครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งอะไรเนี่ยไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายจริงๆเลยเรียกว่าฝนอาวุธเป็นต้นเนี่ยก็ตกมาใส่ตายกันเยอะแยะถ้าถ้าใครว่างๆเนี่ยพยายามศึกษาประวัติศาสตร์โลกบ้างศึกษาแผ่นดินทุกพื้นแผ่นดินนี่แหละ ว่ามันเคยผ่านศึกสงครามอะไรมาบ้างเนะบ้านเมืองแต่และ บ, บ้านเมืองเนี่ยผ่านศึกสงครามอะไรบ้างลูกล้านมาไร้รำเนี่ยบางทีนะถ้าพิจารณาให้ดีๆก็ไร้รำอยู่บนหลุมฝังศพนั่นแหละเนี่ยนะไร้รำอยู่บนเปื้อนคราบเลือดคราบเนื้อคราบน้ําตาและต่อไปสถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นคราบเนื้อคราบเลือดคราบน้ําตาอีกต่อไปนั่นแหละบางทีทําเป็นรำํำพล่นเนี่ยนะที่จริงที่ไหนได้เนี่ยรำมนอะไร และต่อไปสถานที่ตัวเองร่ายรำคืออะไระถ้าพิจารณาแต่ว่าถ้าคิดไกลๆหนะ่อยาโอ้ยถ้าคิดมากขนาดนั้นแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงท่านนี้แหละ ว, วิธีคิดหาทำยังไงจะได้สุขที่มันไม่ต้องทนด้วยทุกข์นะนะ เรีว่าวิธีคิดแสวงหาความสุขที่มันจริงมันแท้เป็นสุขที่ไม่ต้องปนด้วยทุกสุขที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะสุขที่ออกจากวัตฏะทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเป็นสุขแท้นะไม่เคยมีพระอรหันต์บอกโอ้ยเสียใจจริงๆไม่น่าบรรลุรีบบรรลุขนาดนี้เลยน่าจะรออีกหน่อยไว้บรรลุตอนแก่ๆก็ได้เนี่ยนะไม่เคยเนี่ยนะไม่มีใครพูดอย่างนี้ทราบองค์เลยนะ ดีแท้ดีว่าเนี่ยนะดีจริงๆเลยที่ได้บรรลุสุกเนาะมันมีแต่เขาพูดกันอย่างงี้แม่รู้อย่างงี้หน้าจะไมได้บรรลุตั้งนานแล้วเขาก็พูดกันอย่างนี้ทางนั้นแหละเขาไม่ได้เสียอกเสียใจเสียดายอะไรอาวรนอะไรรอกเลยนะเพราะการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิด ก, การทะเลาะเบาะแว้นการเกิดสงครามตายคาสงครามบ้างพูกต่างตายบ้าง ดูกรพิสูจทั้งหลายโทษแห่งกรรมนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกมีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานมีการเป็นอธิกรเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นเองอีกประการหนึ่งดูกรพิสูจทั้งหลายมีการถือดาบและโลดจับธนูใส่แร่งแล้วก็สู่ป้อมอันมีปูนเป็นเครื่องฉาบทาบ้างเรียกว่าสงครามข้างป้อมเนี่นะเมื่อคนทั้งหลายหลายฝ่ายยิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกฟันดาบ คนเหล่านั้นถูกยิงด้วยลูกศรถูกพุ่งด้วยหอกรถด้วยโคไมที่น่าเกลียด ท, uh, ทับด้วยฟ้าทับเหวเพราะว่าอยู่ข้างล่างยิ่งไปข้างล่างก็ตกอะไรตกใส่ตุ้มตายทีเดียวเลยตัดศีรษะกันด้วยดาบในสงครามเป็นเหตุบ้างหรืออีกในหนึ่งก็แบบอะไรนะแบบเวลาสงครามนะ อ, อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้มน้ํามันไว่เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็มาก็ราดน้ํามันเลยนะต้มน้ําร้อนแล้วก็ราดต้มน้ําร้อนแล้วก็ราดเนี่ยเวลาปีนกําแพงเนี่ยนะครับเขาก็มีกัน ต้มน้ำร้อนบ้างราดบ้างอาวุธก้อนหินเทลงมาตาเยะๆนะในสงครามก็ทะเลาะกันเหล่านั้นก็ศึกชิงกามนั่นแหละดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งโจรที่ตัดที่ตอบปล้นเรือนทุกหลังหรือว่าพวกโจรที่ปล้นเรือนหลังเดียวดักดัดตีชิงทางเปรี่ยวคบชู้สู่ชายอื่นมีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทอนมีการเป็นอธิกร เพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นเองพวกรา ช, ชบุตรจับโจรคนเหล่านั้นแล้วก็ถูกลงโทษเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่ราชทรร น, นะนะที่ลงโทษเนี่ยมีประมาณสองหมื่นคนถามว่าแล้วพวกนักโทษนี่จะมีเท่าไหร่ดีขนาดผู้คุมนี่มีสองหมื่นนายคนที่ถูกคุมนี่ควรจะเท่าไหร่ดีนาะเนี่ย น, นะมันก็ถูกลงกรรมกรโดยประการต่างๆเนี่ย น, นะแต่สมัยก่อนเนะี่ยยิ่งเฮี้ยมกว่า น, นี้เยอะถูกเคียนด้วยแส้เคียนด้วยหวายตีด้วยไม้พลองตัดมือ มันมีมันมีอะไรนะที่แบบเอามีดตกมาใส่ข้อขาดเลยนั่นเรียกอะไรนั่นนะอะไรนะนั่นแหละอนั่นแหละตกขอขาดแช็บเหมือนกับตัดมะพร้าวจากขั้วน่ะปั๊บปั๊บ๊เลือดพุ่งกระชูดเนี่ยนะมันก็นั่นก็เพราะโทษแห่งกรรมทั้งหลายมีกรรมเป็นเหตุนั่นแหละดูกรพิสูจน์ทั้งหลายชนทั้งหลายก็ทําความชั่วด้วยกายทําความชั่วด้วยวาจาทําความชั่วด้วยใจ ก็เพราะการมอีกนั่นแหละถึงจะยอมทําบาปทํากรรมด้วยกายวาจาใจาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกความทุกข์เหล่านี้ที่จะมีต่อไปในสัมปรายภพก็เพราะมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นนิทานมีการมเป็นต้นเขามีการมเป็นตัวบังคับเนี่ยนะเขเรย า, รามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วกันเข็นโทษในกรรมอย่างนี้เรียกว่าเปรียบเทียบพิจารณาให้แจ่มแจ้ง ถามว่าตัวที่พิจารณาตัวนี้คืออะไรดูไหมนี่คือการเจริญวิปัสนาในมหานิเทศท่านบอกว่าวิธีพิจารณาดังกล่าวนี่คือการเจริญวิปัสนาเพราะวิปัสนาคืออะไรก็คืออาให้เห็นอาทีนวะให้รู้อาสาธาอาทีนวะและนิสรณะวิปัสนาก็คือการเห็นอาทีนวะของกามทั้งหลายอันวิธีพิจารณาก็คือสิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่งทุกโทษอย่างไรบ้าง พิจารณาอย่างละเอียดละออรอบคอบถี่ถ่วนนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะคิดว่าโทษของกามันมีอะไรบ้างเนี่ยนะใครที่มีความรอบรู้เข้าใจมองได้อย่างตลอดสายและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายนะก็พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เบื่อหน่ายในวัฏฏะขึ้นไหมก็พิจารณา น, นั่นแหละคือการเจริญวิปัสนาเบื่อหน่ายไม่ใช่ตัวเองมีโทสะนะ แต่เบื่อด้วยปัญญาแต่ปีติเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะเบื่อหน่ายในวัฏฏะเท่าไหรใจก็น้อมไปหาความสุขที่ปราศจากโทษเท่านั้นเห็นภัยในวัฏฏะเท่าใดาใจก็น้อมไปหาพระนิพพานเท่านั้นน้อมไปหาอสังขตะธรรมเท่านั้นน้อมไปหาธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ธรรมเป็นที่ดับทุกข์เท่านั้นนั้นอย่างที่พระประเจกพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์ตรัสไ้ว่า กามทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจย่อมย่ำ ย, ย, ย, ยีจิตด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในการมคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรนน่ น, นะเดี๋ยวพักซักก่อนนะ